โอกาสที่ยัดยมที่เราฟังกันเนี่ยเป็นแนวธรรมะที่ให้สติแล้วก็เตือนจิตไม่ให้ใครมาหลงอยู่ดังที่ได้หยิบยกในหัวข้อธรรมว่าพระอนุน ผู้มีอายุได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในที่ประทับ พ, พ, พร้อมทั้งได้อภิวาทในรูปคำทั่วในพระกายของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ได้กล่าวได้กล่าวในถ้อยคำว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยชวีวันของ พระพ้มีพระภาคไม่บริสุทธิ์ผุดพองเหมือนแต่ก่อนและพระกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยานมีพระองค์ค่อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดไม่ว่าพระจักสุโสตะคานชิวหา กายะนี่คือถ้อยคำของพระอนนท์ผู้เป็นพุทธอุบากได้กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งได้รูปคลำทั่วระกายของพระองค์ท่านพลางกล่าวพลางกล่าวด้วยถ้อยคำ ระอนนท์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยแส ด, แดงตรัสว่าอนนท์มันต้องเป็นอย่างนั้นจริงยกว่าความชรามีซ่อนอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมี ซ่อนอยู่ในชีวิตเพราะเหตุนั้นชวีวันจึงไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเสียแล้วเนื้อนหนังกายก็เหี่ยวย่นห ย, ย่อนยานมีตัวค่อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายจุดนี้ถ้าเราฟังเนี่ย เราก็ควรสลดใจนกันถ้าน้อมมาสู่ตัวเราเนแม้แต่พระศาสดาผู้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้พิชิตมารได้แต่ชัตาหรือหนทางของกายนั้นก็ดูเหมือนเป็นไปนในวิธีที่เป็นไปนโดยธรรมะ ทั้งหมดทั้งสิ้นพวกเราเคยฟังต่พระพุทธเจ้าเรารูปโฉมงดงามมีจับรพรรดรังสีเปลงรัศมีไปได้เป็นยอดยอดแต่ในสูตรนี้พระอานนท์ได้ทูล ต่อพระองค์ว่าบัดนี้แถมยังไปรูปคลําด้วยนะว่าทั่วพระกายของพระผู้มีพระภาคเดี๋ยวนี้เนื้อก็เหี่ยวย่นหย่อนยานลงก็แสงว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเป็นธรรมะจริงจริงจึงยกว่าโท่เอยความแก่อันชั่วช้าเอย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 สะใจจริงๆยย่ำยีทุกทุกคนมันสะใจกับนี่ไม่ยกเว้นแม้แต่ผู้ตรัสรู้ธรรมผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับเวนยสัตว์ที่ทรงเหน็ดเหนื่อยบําเพ็ญมาตั้งไม่รู้กี่อาสงไขยกี่กับ ยังไม่ยกเว้นก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าก็ต้องแก่เจ็บแล้วก็สิ้นอายุเมื่อถึงจุดนี้พวกเราฟังแล้วเนี่ยอย่าไปมอง ชีวิตว่ามันมันคงไว้จริงๆเราควรใช้คำนิยามในคำนี้เหมือนกันว่าชีวิตคือสิ่งที่ล่วงไปแล้วและชีวิตเพิ่งมีอยู่เพียงขณะลมหายใจเข้าเพียงเท่านี้ส่วนอนาคตยังมาไม่ถึง ฉะนั้นเราจะมัวมาประมาทอยู่เพื่ออะไร<ม>ก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเองแท้ๆเนี่ยยังต้องเจอสิ่งนี้บีบคั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสแสดงว่าจุนทะในบัดนี้เราแลเป็น พระศาสดาบังเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธะอันหนึ่งทมเราได้กล่าวไว้ดีแล้วได้ประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากข่วงทุกข์เป็นไปพร้อมเพื่อความสงบระงับชื่อว่าประกาศไว้แล้วโดยพระสัตย์ธรรม สัมมาสัมพุทธเจ้านี่แสดงว่าพระองค์กำลังบอกพวกเรานะว่าหน้าที่ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้มานะพระองค์ได้ทำแล้วและบัดนี้พระองค์ได้แก่ชารากิจทั้งหมดที่ทำได้เปลี่ยมบริบูรณ์สมบูรณ์แล้ว พระสัตธรรมพระองค์ก็ได้แสดงแล้วดุดทำให้แจ้งเหมือนของที่เคยคว่มไว้ก็หงายขึ้นให้โลกได้เห็นหมดแล้วพระองค์บัดนี้ผ่านวัยอันยืดยาวผ่านรู้ราตรีอันยาวนานการบวชก็ยาวนานแล้วแล้วก็ได้ตรัสว่าจุนทะ เวลานี้มีพิสุผู้เป็นเทระมัชิมะและก็นวาวิกะผู้ที่มีคุณธรรมชั้นสูงผู้มีความฉลาดผู้รู้กันแสดงธรรมผู้รู้การจูงจิตได้นะมีที่จะดำเนินในพระสัทธรรมของพระองค์ต่อไปอีกแสดงว่าฟังดูเหมือนพระพุทธเจ้า ดูเหมือนว่าพระองค์ถึงเวลาที่จะต้องเสด็จดับขันธะมหาปรินิพพานและในที่สุดก็เป็นดังที่พระองค์แสดงมาในทุกๆเรื่องและก็จบลงแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้วางรากฐานไว้หมด ไม่ว่าในธ ร, รมหมวดใดข้อไหนก็มีพระเทระอรันตาสา ว, วกได้สืบต่อพระองค์ได้เสร็จภารกิจอันหนักหน่วงมาไม่รู้กี่อสงไขยกี่กับเพื่อดำรงไว้ในพระพุทธศาสนาให้มั่นคง นี่แหละทาตุจิรังสตังธรรมโมเขาให้พระสัตทธรรมของพระพุทธเจ้านะ่ตั้งมัน่นตั้งอยู่และบัดนี้พวกเราเองแม้ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแต่เราก็ดูเหมือนอยู่กับพระพุทธเจ้าเพราะทุกคำแสดงของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศทั้งนั้นเลย ไม่ใช่ของหัตมาไม่ใช่พระพุทธเจ้าสจแสดงตรัสรู้ธรรมที่มีอยู่ให้ปรากฏแล้วก็นำธรรมทั้งหมดมาบอกแดดเวญยศสัตว์น้อยใหญ่แต่จริงๆถ้าเราฟังแล้วก็เกิดสลดใจเหมือนกันนะว่าบัดนี้ พระองค์ได้ชาราโยมลองพูดดิบัดนี้เราได้ถูกความชารามาครอบงำหรือบัดนี้เราได้แก่ชาราภาพแล้วเป็นไงโยมลองพูดคานี้กับตัวเองดูหนะมันซึ้งเหมือนกันนะบัดนี้เราแก่ชาราภาพเรารู้สึกได้แล้ว กายยะคานะชิวหาโซตะจักสุลงรูปคลํำดูกายที่เคยแต่งตึงกับหย่อนยานเหี่ยวย่นผมที่เคยดกดำมันเป็นเงาบัดนี้หลุดร่วงขาว แล้วก็บางไม่ดกจากมันก็เป็นแห้งๆมันเหมือนคล้ายๆกับไม้ที่หมดยางมันจะแตกที่ไม้แตกเนี่ยใช้ไป น, นานๆเนี่ยมันหมดยางมันหมดยางวันนี้โยมมาพิจารณาทั้งผู้บำเพ็ญทั้งผู้รับฟังบกบัตรนี้ความชาราได้เกิดขึ้นแล้ว ดูคิว้วดูหางตาดูหน้าผากมันย่นเป็นชั้นๆกำลังวังชาความบ้องวัยความคล่องแคล่วเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมไม่ละ่ะรู้สึกว่าหนักตัวขึ้นเป็นช่างกิโลน้ำหนักลดบางคนแต่ดูเหมือนมัน หนักมันอืดเหมือนเอารถเก่าๆามาแก่ๆมาวิ่งเอาวิ่งขึ้นทางเนินสูงๆเนะอัดเกียร์หนึ่งไปได้ครึ่งมอ่นะนะ่มอน้ำเดือดสั่งเป็นห่อมอน้ำเดือดแม้ใจจะสู้ก็ตามเครื่องมันบอกบอก มันบวไม่เอาแล้วเดือดมันบอกมาแก่วิ่งลิ้นห้อยก็ห้อยแ ต, แต่ว่าแรงมันไม่ไหวแล้วแต่ว่าแต่บรรทุกสัมภาระเลยนะเอาวิ่งสี่เท้าตัวเองเนี่แหละจะ ต, ตายเอาต่อให้เป็นราชสีหรือเป็นพยักษ ร้ายที่เคยลําพองอยู่ในป่าใหญ่พอถึงเวลาแก่ชารามาวิง่งไล่สู้ลูกแกะยังไม่ได้เลยอย่าว่าแต่ไปจับเก้งกวางมันเป็นอย่างนี้จริงๆและโยมดูพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านเดชันเลยละ ก็เรียกสั่นเตรียมพร้อมที่จะแตกนะนะต้องบอกว่ากําลังมันไม่นิ่งแล้วไงมันจึงสั่นสังเกตไหมถ้ากําลังดีทุกอย่างมันจะรับอยู่ในสภาพที่ดูเหมือนนิ่งแต่เมื่อไรมันกวัดแกวงเอาแล้วมันบอกแล้วนะว่ามันจะรับได้ไม่ไหวอยู่อีกไม่นานสังเกตดูนะ ยอมบอกว่าจะเดินเดินออดชักชักเสชักเสนั่นเพราะอะไรกำลังของเราลดน้อยศูนย์ของเราเนี่ยมันมันเริ่มกินซ้ายกินขวานี่นะคอชักเอียงหัวชักตกหลังชักชักโกงชักค่อมลงบางคนก็ออกไปด้านปีกข้างขวาซ้าย กายมันไม่คงไว้มันฟ้องเรื่อยๆนะให้นักปฏิบัติสังเกตดีๆนะมันค่อยๆฟ้ อ, ฟองฟ้องไปที่รอย่างทีไรอยากถามว่าวันนี้โรคอะไรอีกปีสองปีมันอะไรอีกนะ่ะเข้าโโหก่อนอาหารโรคหนึ่งขณะทานเสร็จหลังอาหารอีก โรคหนึ่งก่อนนอนอีกโรคหนึ่งตื่นนอนอีกโรคหนึ่งตายแล้วอยู่กับโรคเชื้อโรคจริงๆนะเนี่ยจากคำว่าแข็งแรงสวยสดงดงามผุดผาดผ่องใสเดี๋ยวนี้สุดโสมหม่นมอง ย่อนยานเหี่ยวแห้งหมดแรงเตรียมตายเนะตรียมลนะขนาดพระพุทธเจ้าเองก็ยังแสดงตรัสบอกพระอนต์ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอานต์ความชราถูกซ่อนอยู่ ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคเมื่อก่อนพวกเราดูเหมือนไม่มีใช่ไหมโอ้สบายเดี๋ยวนี้นะอย่าว่าเอาของแข็งเข้าไปเคี้ยวฟันที่จะแบบกัดทินเดียวให้ลั่นเลยนะเมื่อก่อนเม็ดมะขามคั่วนี้กัดเม็ดมาขามคั่วแตกนะแต่นี้ถ้ากัดอย่างนั้นฟันแตก เดีย๋ยนี้อย่าว่าอะไรนะเจอเม็ดถั่วนี้ก็กัดไม่ลงแล้วเสียไปทั้งรากเลยถอยก่อนย่ำย่ำใหม่ตั้งหลักใหม่เอเรื่องจริงเมื่อก่อนไม่มีเกียสองแล้วเกียหนึ่งเข้าแล้วก็คลับไงเค้เลยกลืนครับอดีนี้ค่อยค่อย ค่อยๆค่อยๆเคียวยำยำยำยำขนาดนั้นโอ้โหยังเฉียวก็แสดงว่าในความแข็งแรงเนะี่ยมันถูกซ่อนอยู่ในกายที่ไม่มีโรคเนะี่ยมันถูกซ่อนอยู่พอได้เวลาเขาบอกออกมาได้แล้วเดินไอมาเลย <c oughs> <c oughs> เห็นหเป็นน้ำหนักเนะี่ยเดินน้ำโมกไหลย้อยมาเลย ไหนบอกกลิ่นหอมเมื่อก่อนหยดไว้เลยยศนย่างนังเข้าก็บอกเป็นฤๅษีดวงทางจมูกและทางทวาวรด้วยเอา้าไหนบอกก้นสวยเมื่อก่อนไงไปแล้วบอกผมสวยแบบมามาโหหัวล้านแล้วหัวล้านอย่างเดียวยังไม่พออีกยังมีเชื้อ เชื่อราอีกตายแล้วผิวหนังนี่เป็นโรคอีกมีใครอยากจะลูบคลาบ้างยิ่งน้ำเหลืองมีในหน่อยแล้วก็เจ้าตัวเองยังไม่อยากที่จะลูบคลาเลยพยายามปกปิดไว้แต่มันปิดไม่อยู่แล้วเพราะหัวล้านเห็นไม่ยอม บางคนผิวเคยสวยๆงดงามบัดนี้เป็นขี้กากขี้เกื้อเป็นโรคผิวหนังถ้าเรียกภาษา พ, พื้นบ้านว่าขี้เรือนก็ได้ยมดูพวกพวกสุนักพว ก, พวกเราเรียกกันสุนักขี้เรือนแต่พอเป็นคนบอกเป็นโรคผิวหนังเพราะนะเพราะถ้าเป็นคนมีสตังหน่อยก็ น้ำเหลืองไม่ดีฟังก็เพราะอีกหน่อยสรุปแล้วก็ขี้เรือนนั่นแหละคือกันละ่ะมันเป็นยมอยากพิสูจน์ตัวเองไหม ย, ยืนแล้วก็หมุนตัวเองสักสิบรอบดูดิกลิ้งเลยละ่ะอนตมมาทำไม่ได้ตอนนี้เมื่อก่อนนั่งม้าหมุนนะโอมันเลยละหมุนแรงๆหมุนเร็วๆหน่อยโอ้เดี๋ยวนี้ ไม่ต้องไปนั่งม้าหมุนยืนดูเขาหมุนเนี่ยตัวเองก็หมุนแล้วอ่ะนี่ขนาดพูดยังหมุนเลยเนายโยพูดจริงนะ น, นี่พูดอยู่นี่ยังหมุนเลยเนี่ยพอนึกถึงมาหมุนนะหมุนแล้วนั่นนะ่ะก็แสดงว่าในความหนุ่มมันถูกซ่อนอยู่ในความแก่เชื่อไหมล่ะ จะไม่เชื่อไปถามแม่ยญยลาหาดูแม่ยายลามาไม่ไหวมังเนี่ยว่า ด, ดนดอกตายอีดีอยู่ไม่นานก็ต้องตายแต่ตายทุกคนส่วนมากคนเขาถึงให้พ้นอายุยืนยืนเด้อยืนยืนยาวๆเหมือนสาป่านสาเสือกเตอ่อเด้อ ยาวยังไงมันก็บอกไว้เด้อให้คลานไปเนี่ยนะไม่ไหวให้คลานเนี่ยตะมาก็ไม่เอาบอกนิมนต์พระอาจารย์อายุยืนยืนยาวๆจะได้โปรดเทศทุกศิษย์ลูกหาต้อบอกพอเลยโยมแต่ทรมานกันไปถึงไหนละ่ะเอาแค่ยืนโผดเสก็ไปได้แล้วจะให้ขึ้นคลานไปเทศบนธรรมะเนี่ยนะโอ้ยมันทรมานพระไป เอาแค่สมเหตุสมผลก็ตายเสียมรณะภาพได้เลยนะตมายินดีเร็วช้าเนี่ยมันตายอยู่แล้วก็แสดงว่าในชีวิตความตายซ่อนอยู่แม่นเอเดีแสดงว่าใช่จริงๆในชีวิตมีความตายซ่อนเร้นอยู่ออกมาโลดเอินโหลดออกมาเลยเรียกเอิญเอิน เรียกออกมามาทำความรู้จักมักคุ้นกันก่อนความตายเป็นอย่างไรเออโยมเคยถามไมรู้ด้วยว่าตายไม่เคยหยับหายใจไม่ได้แล้วก็เน่าเหม็นในที่สุดเออนั่นตายแต่ความตายเป็นอย่างไรโยมชีวิตของเราเนี่ยถ้าพูดเป็นรากสับยิงเกิดตั้งอยู่ และก็ดับความตายก็เหมือนความที่ดับไปยมอะไรอาวร์กับสิ่งไหนแสดงว่าจิตดวงนี้เนี่ยยึดมั่นหมายกับสิ่งนั้นตัดเสียชีวิตคือสิ่งที่ล่วงไปแล้วโยมจะมาอาไลอาวร์กับสิ่งที่ล่วงไปแล้วเนี่ยไม่ฉลาดโดยเฉพาะเราเป็นนัก ปฏิบัติภาวนาเราจะต้องละในรูปนามขันที่เป็นอดีตมีอยู่ปัจจุบันก็ให้กำหนดพิจารณาว่าไม่เที่ยงก็บอกไงว่าในความแข็งแรงถูกซ่อนอยู่ด้วยโรคในชีวิตถูกซ่อนอยู่ด้วยความตาย ในความแต่งตึงถูกซ่อนอยู่ด้วยความเหี่ยวย่นยานออกจมูกหลุดนะงย่านหลดุดแกหนักแล้วนะอา้าวหัวเราะได้หัวเราะไปเพราะแกจริงจริงหัวเราะแล้วมันขากนไกลมันไม่เล่นด้วยนะบอกไว้อีลีเบาๆเล่นนะนอ้าบอกอ้ากว้างๆแม่ แม่บอกมึงเอ้ยมึงเป็นกูมึงจะรู้กว้างๆแม่แม่เดินเร็วๆที่แม่แดดร้อนจะตายเดินช้าแม่นึกมึงมึงอธิบายไงมึงก็ไม่เข้าใจหรอกมึงแก่แนละ้วมึงจะรู้บอกตั้มาก็เคยพูดอยู่ว่าความแก่มันเป็นยังไงเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้เขาอธิบายทุกวันเลยละ่ะ มันเป็นยังซี่กันน่อยเดเมันเป็นอย่างนี้มันบอกมันเป็นยังซี่ยังซี่ยังซี่ปะ่ะมันมีแต่ทุกข์ความแก่มันมาสรุปที่ว่าทุกข์ตัมมาก็สรุปได้เลยว่าไม่มีใครที่ไม่ทุกข์กับความแก่แมนพูดเองนี่เออเองนี่แมนโลด ก็แสดงว่าคนแก่อยู่กับทุกข์แท้ๆเลยและถามว่าอยากอยู่นานแค่ไหนคนแก่บอกอยากตายนั้นเลยไปถามดูเถอะลูกหลานบอกโอ้ยยา ย, ายายปู่ตายอย่ารีบไปเลยเป็นไม้เท้ายอดทองกระบอหยอ ด, พดเพชรเถอะตายยายก็มองหน้ากัน กูไม่ไหวจริงๆนั่นเนี่ยให้อยู่รักกับรักมันอยู่อยากจะเห็นความสําเร็จของมันแต่พอมองหน้ากันกูไม่ไหวจริงๆนะนเนี่ยคือร่างกายมันปรึกษากันแล้วว่ามันไม่ไหวนะแต่ใจก็ยังอะไรอาวร์อยู่นะว่าอะไรอาวร์ฉะนั้นเวลานี้ที่เราฟังมาก็หมายถึงว่า เรามีเวลาเท่าไหร่นะดูนาฬิกาหน่อยเนดะ้ยมตอบเองที่จะใช้อัตภาพของกายยาที่จะทำประโยชน์ให้กับชีวิตที่เกิดมาที่จะสร้างบารมีและที่จะดับทุกเนะี่ยยมมีเวลาเท่าไหร่นาฬิกาดรามาเสียแล้วจับเวลาจับไม่ได้แล้ว มันเสียแต่วมันเดินไม่ตามเวลาที่เราคิดไว้นี่คืออุปสรรคความแก่มาบั่นทอนความเจ็บป่วยไข้โรคภัยไข้เจ็บมาบั่นทอนมันเหมือนเสียไหมละ่ะเขาบอกนายโยมนั้นไปไหนบอกโอ้ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเราฟังออกว่าอยู่โรงพยาบาลคงไม่ได้ไปทางานหรอกโยมไปนอนให้เขารักษา ไปเจ็บเนื้อเจ็บตัวใครจะดื้ออวดเก่งแค่ไหนพอขึ้นเตียงหมอแล้วเสร็จหมอทุกรายทํามาดูไม่เก่งกว่าหมอทํอมาจริงทำเก่งๆไปเถอะยศขนาดไหนก็ตามเขาบอกนอนเฉยๆฉยไม่เถียงนะก็นอนเฉยเฉยเขาบอกกินไม่ได้มีปากเขาไม่ให้กินวันนี้กินไม่ได้ บอกกินแล้วตายนะกลัวดิเชื่อหมอพอรักษาเสร็จไม่กล้าต่อราคาอีกนะเออเวลาซื้อของอย่างอื่นต่อจังเลยแต่พอไปรักษาตัวไม่ค่อยมีใครกล้าต่อไม่กล้าโยงเคยต่อไหมก็อบอกแสนห้ายก็บอกตักงแสนสองเลยกันเนี่ยไม่กล้าไม่กล้า เพราะชีวิตรเรามันมีค่าที่สุดในเวลานั้นฉะนั้นสิ่งที่เขารักษาเราเน use, เขารักษาสิ่งที่มีค่าที่สุดเงินเลยเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเห็นไหมพอเราเข้าใจจริงรู้จริงเนี่ยเรามาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายทำเมื่อได้อะไร ได้สติได้ปัญญาได้รู้ว่าเวลาที่มีเนี่ยมันมีค่ามากที่สุดไม่ไม่ใช่มาสะดุดอยู่กับมานั่งเสียใจมานั่งร่ำไรรำพันกับสิ่งที่จากไปเสียไปสูญไปแล้วไม่ใช่เวลาที่เหลือเนี่ยคือเวลาที่เราจะต้องบาเพ็ญสร้างประโยชน์สร้างบา ร, รมีแล้วก็ ดับขนทางที่จิตของเรามันเร่าร้อนเรามีเวลาอยู่ไม่นานรีบทาเพราะความแก่จะมาย่ำยีพวกเราอีกชั้นหนึ่งความทุกข์อยู่เบื้องหน้านแล้ว ทุกข์โคตินนาทุกข ะ, ระเรตามีความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เบื้องหน้าแล้วเรากําลังเดินไปไหนโยมว่าใครว่าเดินไปหาความสุขพูดให้จริงนะไม่ยันกันเลยเราเดินไปหาความแก่เจ็บตายเนี่ยนะพูดถึงว่านี่คือความสุขของชีวิตไม่ใช่ เดินไปหาโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะไปหาความสุขมันบ่แมนมันไม่ใช่ไม่ใช่ยมเคยเห็นคนแก่ออกมาแบบกระชุ่มกระชวยมีความสุขเบิกบานร่าเริงบันเทิงใจที่ไม่มีธรรมะมีไหม ถ้าเอาแบบคนแก่ที่อยู่แบบโรโรกลุนล้วนนะมีแ็กโลกีวิสัยเนี่ยโอ้เขารับสภาพชีวิตตัวเองเกือบไม่ได้แต่มาจริงไม่แปลกใจว่าทำไมคนที่เริ่มมีอายุมากคนที่ผ่านฝนผ่านแดดในชีวิตมามากคนที่ตรากตรำชีวิตมามาก ทำไมในที่สุดจึงรู้จากการสร้างบุญกุศลทำไมอยากไปวัดอยากฟังธรรมอยากภาวนาอยากสวดมนต์เพราะทั้งชีวิตที่ผ่านมานะไม่มีสาระโลกิยะสุขได้เพียงชั่วคราวไม่ใช่สุขยืนยาว และไม่มีอะไรที่แท้จริงเลยสักอย่างเดียวที่จะยึดได้เขาจริงไม่เห็นว่านั่นคือที่อาศัยเมื่อยามจากไปและผู้เดรัว่าิเขาไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งได้จริงเพราะไม่ใช่แดนกระเสมไม่ใช่แดนกระเสมที่จะพ้นออกจากบังวลแห่งโอคะได้ ยิ่งไหวพระรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาสร้างบุญกุศลในที่สุดจิตแห่งความเป็นผู้รู้เนี่ยได้ถูกสัมผัสได้สัมผัสกับชีวิตของตัวเองก่อนตายจึงรีบเร่งขวนขวายพอภายหลัง ใครจะว่าเราหลงงมงายทำบุญไปทาไมเนี่ยเขาไม่สนใจเลยเขาบอกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่สนแต่สิ่งที่เขารู้เขาจะทาสิ่งนี้และพวกเราทุกคนเคยประมาทในบุญมาแล้วเคยประมาทในศีลเคยประมาทในธรรมมาแล้วแต่พอถึงอีกเวลาหนึ่งพอถึงอีกเวลาหนึ่งเนี่ย ดูเหมือนว่าสิ่งนี้พวกเราต้องมาขนขวายเหมือนตอนเด็กๆเราจะเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายฟังธรรมเข้าวัดของพวกเรานี้ฟังเพลงเที่ยวสุขสนาน เอาโลกรีวิสัยเข้ามาเพื่อเติมชีวิตที่มันทุกข์เพื่อมันมีที่ผ่อนคลายเพื่อให้มีที่ผ่อนคลายทนั้นเองถ้าเราพิจารณาให้ดีแล้วมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เพราะจะให้พวกเราไปสนุกเหมือนก่อนมันไม่สนุกก็บอกกันในความแข็งแรงก็มีโรคภัยไข้เจ็บในความเป็นหนุ่มสาวก็มีความชาราซ่อนเร้นอยู่และในชีวิตก็มีความตายซ่อนอยู่ธามมารู้และตกใจหัหยเป็นเรื่อง ธรรมดาธรรมดาก็ดูพระพุทธเจ้าได้แสดงให้พระอนุนบอกมันต้องเป็นอย่างนั้นพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธเลยบอกมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วแสดงให้เห็นว่ามันซ่อนอยู่เช่นพวกเราทำความเข้าใจให้ให้ท่องแท้แล้วก็ดูเวลาว่า มีมากัหมมีพอไหมพิจารณาพอพิจารณาแล้วเนี่ยต้องมาเชื่ อ, อเวลาที่นอนหมดไปครึ่งหนึ่งโยมบอกเอาละบางคนอาจจะเข้าข้างตัวเองฉันอา จ, จะอยู่สักสามสิบปียี่สิบปีสิบห้าปีเอาเถอะ ทุกคนมีสิทธิ์คิดได้แต่จะสั้นหรือยาวถึงไม่ถึงนั้นต้องมาพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งส0สิบตัดไปแล้วส5บห้าปีกลางคืนนอนแบ่งครึ่งเลยนะส0ปีเหลือส5ห้าปีย0สปีเหลือสิปี สิบปีเหลือห้าปีที่ทำประโยชน์ได้แต่เท่านั้นยังไม่พอถูกหักล้างอีกนะชีวิตต้องมาทำงานหากินเรียกว่าทำมาหากินหมดอีกแดชั่วโมงวันหนึ่งเหลืออยู่สี่ชั่วโมงถ้านับเป็นสิบสองชั่วโมงเห็นไหมแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเนี่ย 8ปชั่วโมงเหลือสี่ชั่วโมงเดินทางอีกละ่ะการเดินทางก็ต้องเสียเวลาอีกชั่วโมงสองชั่วโมงเหลืออีกสองชั่วโมงเห็นไหมแล้วไหนจะกินอาบถ่ายอีกละ่ะคิดว่าจะเหลือไหมสองชั่วโมงนะกินอาบถ่ายหมดหรือยัง หมดนอกนี้พักผ่อนอีกสิบสองชั่วโมงอาจจะนั่งเล่นนอนเล่นก็สุดแล้วแต่ที่พูดมานี้ได้ทำความดียังยั่งเลยเอาบางคนก็ข้างหน่อยเราหยุดเสาร์อาทิตย์เออมีอีกสองวันรอดมาที่พูดวันนี้สามสิบปีเมื่อกี้หักล้างนะไม่เหลือแล้วนะ ไม่เหลือแล้วเพราะในช่วงกลางคืนพักกลางวันต้องทำงานหากินหมดเวลาถ้าจะเหลือคือเสาอาทิตย์นี่พูดถึงว่าไม่ป่วยนะแล้วก็เหตุการณ์ชีวิตมันาราบเรียบไม่มีอะไรที่ต้องทำให้เราต้องไปเดือดร้อน มีเวลาสวทิต์ถามว่าสวรทิต์ทำอะไรบางคนบอกดูหนังดูละครฟังเพลงจบไปเที่ยวแล้วบุญทานศีลภาวนาเนะี่ยทำไหมยังไม่มีเวลาสามสิบปีก็ตายเปล่าสิบปีก็ตายเปล่าไม่มีเวลา ฉะนั้นเราจะต้องหาเวลาเพื่อทำความดีใช้ความดีมาหาเราเองนะ่ยไม่ได้ความดีมันเดินมาไม่ได้นั่งๆความดีมันเกิดเองไม่ได้เราจะต้องเขาเขาเรียกว่าสร้างความดีสร้างความดีแล้วก็รู้จักคว่ารักษา ความดีรักษาศีลรักษาชีวิตของเราพิจารณาไปพิจารณาไปดูเวลาของเราที่จะสร้างความดีเกือบไม่มีแล้วในห่วงคนนั้นห่วงคนนี้อีกจะมาถามยมจริงๆนะชีวิตปูนนี้นะถึงบัดนี้นะถามจริงยมคิดว่ามีเวลามากไหม ที่ผ่านมาเวลาที่ใช้ไปหมดกับอะไรยมบ้างานลูกสามีภรรยากินกามเกียดเรียบร้อยเกิดมาใช้ชาติมาใช้ชาติจริงๆนะเกิดมามาใช้ชาติแต่ไม่ได้สร้างบุญบารมีไป ฉะนั้นถ้าเรารู้ในเวลานี้บัดนี้โยมรีบนะรีบเราสามารถบําเพญ็ญทานได้บําเพญ็ญบําเพ็ญศีลได้บําเพญ็ญเจริญจิตตะภาวนาได้เจริญจิตตะภาวนาสิ่งที่ทําไม่ไปไหนเพราะร่างกายมันก็คือร่างกายวันอย่างคําโยมจะให้มันสักเท่าไหร่มันก็ ใช้คำว่ามันก็ไม่ตั้งอยู่โยมจะบอกเขาพูดดีเพียงไหนเขาก็ไม่รับคำสั่งและเชื่อเราร่างกายถึงเวลาหนึ่งมันจะหยุดเคยได้ยินไหมว่าหัวใจหยุดเต้นมันจบแล้วฉะนั้นถ้าเราคิดทำให้กับร่างกายแต่มาว่า คิดให้ดีว่ามันมากไปแล้วยังมันพอเพียงหรือมันเกินพอคิดให้ดีก่อนไม่มีเวลาแล้วและทีนี้เราเนี่ยอยู่เพื่ออะไรยมตอบเลยเราเนี่ยอยู่เพื่ออะไรเกิดมาทำไมทำไมถึงต้องเกิดเกิดเพื่ออะไรถ้าตอบวนๆอยู่นะ อยู่ก็เพื่อลูกเพื่อเมีเเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อหลานเพื่อลูกเพื่อมีเเพื่อหลานเพื่อร่าเพื่อรวยเพื่อทรัพสมบัติอยู่เพื่อลูกเพื่อมียโยมเดี๋ยวมันเบื่อตมานะเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อหลานอยู่เพื่อทรัพสมบัติอยู่เพื่อสมบัติลูกมีหลานกี่ภพกี่ชาติอย่างนี้จริงๆพูดนะจริงๆ แล้วชาตินี้ยมพูดอย่างนี้ไหมย้ยอนย้อนนิดหนึงพูดอย่างงี้ไหมทําให้ลูกมันเลี้ยงเขาอะได้เขามาทิ้งเขาก็สงสารเขาก็เลี้ยงเขาได้เมียมาเลี้ยงนะเก่งมากก็สงสารมันไม่มีใครเอามันหลานมันแม่มันไม่เอาไหนพ่อมันไม่เอาไหนเออก็เลี้ยงหลานแทน แล้วจริงไหมเนี่ยทุกวันนี้ยังมีคนบอกมาไม่ได้เพราะติดลานสาธุอายุจะหมดแล้วโยมยังไม่ว่างอีกแล้วเนี่ยว่างได้แล้วโยมพระบานก็มาเคาะประตูแล้วก็มาจดบ้านเลขที่ถนนซอยแล้วชื่อนามสกุลแล้วแล้วก็เตรียมจะลงวันที่เดือนพฤษศแล้ว ยมยังบอกไปข้างหน้ายังไม่ว่างไม่ใช่อะใช่พูดไปพูดมาก็เรื่องสมบัติอีกเอา้ามีจะให้ใครไม่มีจะทําอย่างไรเอา้าว่ากันไปที่เดิมไหมเดี๋ยวแสดงให้ดูถ้าว่าไม่ที่เดิมเอานะถามจริงแต่พอตอนเล็กๆอยู่บ้านกันนี้แหละบัลลังเนี้ย พอเริ่มโตนหน่อยเดินได้แม่ก็พาลูกไปเรียนหนังสือไปโรงเรียนนี่แหละกี่ปีก็จะจบขับรถกรเส้นนี้ไปไปมาๆก อ, อ, อาจจะ ย, าย้ายก็ซ้ำอยู่ตรงนี้พอจบเสร็จก็ไปทำงานแล้วก็หาบ้านอีกที่มันใกล้เช้าก็ออกจากบ้านไปทำงานออกจากที่ทำงานเดินทางกลับมาบ้าน มันอนอยู่ตรนี้พอเหนื่อยหายเหนื่อยเสร็จอ่านหนัอ่าท่าเสร็จขับรถเดินทางไปทำงานเสร็จจากงานเหนื่อยอยากจะพักออกจากงานกลับมาบ้านถามจริงไปไหนนะวันวันเนี่ยโอ้พวกเรานี่ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้จริงๆริน่านเปลี่ยนบรรยากาศที่นึงดูวันหยุดทีย่ยมหยุดยาวที่โอ้โหรถทุกเส้นทางเลยกรุงเทพนี่ว่าง แต่ทางออกต่างจังหวัดแน่นขนัดเลยแน่นทันหนัดเห็นไหมแต่เสียเวลาเท่าไหร่เดินทางบอกหยุดสามวันเดินทางสองวันไปเหนื่อยอีกวันหนึ่งชีวิตของเราดูดูมันเหมือนคล้ายกับชีวิตคือการเดินทางหรือเปล่าโอ้ วนไปวนมาวนไปวนมาแล้วมาแก่เจ็บตายมันไม่ใช่สาระแล้วฉะนั้นเราเนี่ยทำอย่างไรที่จะได้ปฏิบัติธรรมจริงๆ จ, จังๆเอาแบบทุ่มเทเลยละเวลาชีวิตที่เราจะพอเขาเรียกเจียดได้ถ้าโยมไม่แบ่งเวลาให้กับการปฏิบัติไม่มีเวลาไม่มี ไม่มีจริงๆนะแต่ถ้าเราแบ่งเวลาให้เนี่ยมีเวลาแม้อย่างนั้นก็ยังถือว่าน้อยเพราะต้องท ร, รมาหากินไหนจะเรื่องลูกไหนจะเรื่องสามีไหนจะเรื่องหาเงินหาทุนไหนจะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไหนจะปัญหาอื่นอีกรอบตัวเนี่ยไหนจะต้องเหนื่อยอีกโอ้ยเสร็จ ทำไงโยดฉะนั้นการได้ฟังวันนี้เนะี่ยพวกเราฟังเดี๋พระพุทธเจ้าผิวพันพ่องใสผ่องแผ้วผุดพาดบริสุทธิ์แต่วันนี้สูตรนี้พระพุทธเจ้ากลับกับพระอนุนได้พระอานุ์ได้ทูลถามหรือได้แสดงพูดให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็จริงแสดงให้พระอนนบอเป็นอย่างนั้น โอบารมีผูพได้เจ้าเราโยมก็รู้อยู่แต่ความจริงมันก็คือความจริงพระพุทธเจ้าแปดสิบนะนี่โยมกี่สิบแล้วเนี่ยโอ้ยเตรียมใจได้แล้วมาใจแต่คิดแต่สยกรรมอยู่ไม่ไหวอะทำมามวะาพอที้ใส่ไปใส่มาใส่เขาเมนหมดอะทไมไม่ได้ว่าโยมนั่นเนยว่าตัวเองแล้วกัน เดี๋ยวไปโดนดั่งใครกโกรธอีกนะเราหาเงินหาทองแทนว่าจะมาสร้างเงินให้มันมีแก่นมีสาระมันได้จิตวิญญาณเป็นกุศลหน่อยเปล่าไปให้สันสันโด่งมันคืบบ อ, อดูดิโยมพอเขาบอกย่นหน่อยไปเฉือนไปตัดโอ้เจ็บตัวก็เจ็บเสียเงินก็เสีย แล้วคิดว่าความแก่มันลดลงจริงหรือแต่มาไม่เชื่อเลยมันหลอกได้ปีสองปีแล้วทำไมไม่ทำใจไปเช่นเลยปีสองปีเนะี่ยโถโยมยอมเธอไม่ยอมมันก็ต้องโดนบีบอยู่แล้วถามจริงเคยเห็นคนแปดสเป็นสาวสวยไหมแต่งให้ แ, แต่งให้แบบเอาชุดลิเกมันใส่เลยมันพราวไปเลยแล้วเชื่อเพราะว่าไม่มีแรงที่จะแบกชุดหนักไปหมดแห้งกมนว่มหมดแรงเนี่ยถ้าเรายิ่งพิจารณาพิจารณาพิจารณาแล้วมันปรงที่พูดมาอย่างนี้เพื่อให้เห็นสัจจะแต่ใครทำไปแล้วก็ก็ดีอ่ะ ก็ดีมองมันก็เจริญได้อีกแบบหนึ่งแต่เราไม่ควรหลงอย่าหลงเวลาของเรามีน้อยทำไมเราไม่เอาเวลาตรงนั้นเนะ่ยมาเดินตามที่พระริเจ้าสอนให้บำเพ็ญศีลทานภาวนาทานศีลภาวนาพอยมทำให้ไกยมากๆ ม, มันเหมือนกับเราไม่ได้ดูแลจิต พอถึงเวลาหนึ่งกายมันก็เป็นไปตามอัตภาพโยมจะรู้สึกเศร้าหมองรับไม่ได้เพราะเราทุ่มเทกับสิ่งนี้มากสิ่งนี้มันก็ยังเป็นอย่างนี้ต่ออีกแล้วรู้ไหมว่าในชีวิตมีความตายที่บอกพอเราหมดลมวันนี้ จิตที่ไม่มีกุศลเลยนะจิตมีแต่ความหลงในรูปหลงในกลิ่นหลงในเสียงหลงในรสหลงในการสัมผัสหลงอยู่ในกายเนะี่ยโยมว่าเขาไปไหนในเมื่อเขาไม่มีแสงไม่มีแสงธรรมเลยไม่มีกุศลที่ส่งไปเลยเขาไปไหนโยมว่าโมหะจิตคืออวิชชาอาวิชชาคือความมืดบอด อันตกาเรนะมืดบอดมืดบอดแล้วคนที่ไม่เห็นทางไปไหนโยมตอบเลยมาดไปทุกขติและนี่หรือที่เราเอาใจใส่มากแล้วสิ่งที่ตอบแทนเราก็คือความมืดบอด แมกใช้ชีวิตอย่างนี้ผิดผิดหลักเพราะเราเอาแค่หลักของโลกีมาเราจะชุ่มยุบกรรมมะขุณพระพุทธเจ้าแสดงแล้วไงว่าขนทางที่ไม่สามารถบรรลุกุณธรรมได้ก็คือกรรมะสุขขันกานุโยคนิคอนหนึ่งอัตตะกิลมัฐานานุโยค การยังตนให้ชุ่มอยู่กับการมคุณเนี่ยนะหลงหัวปากหัวปัําไปละไม่เป็นไปเพื่อการบรรลุไม่ได้หรืออีกในหนึ่งการทำตนให้เป็นผู้ลำบากทรมานตนเนี่ยใช่ว่าไม่เป็นไปเพื่อ การบรรลุและไม่เป็นสไ ป, ปยะของการภาวนาการบำเพ็ญการปฏิบัติจนจ้นาโยมเราทุกคนต้องระมัดระวังกันพิจารณาไปน้อมจิตมองตามไปเราก็เห็นและต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นไม่ตกใจ เรารู้นี่ในความหนุ่มสาวมีความชราซ่อนอยู่เราเห็นมาแล้วนี่เราทำความรู้จักกับเขาแล้วไม่ตกใจในชีวิตมีความตายซ่อนอยู่เรารู้เราพร้อมเมื่อถึงเวลาก็พร้อมไปวันไหนก็ได้คำว่าพร้อมไม่ใช่กายสภาพแห่งใจตรงนี้พร้อมพร้อม เพราะเราไม่อะไรอาวณ์กับสิ่งที่เราจะจากไปเราพร้อมและวันหนึ่งถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บร่างกายนี้ต้องมารับเวทนาเจ็บปวดโยมต้องมีสติให้มากนะเวลาเข็มทิ่มเข้าไปเวลาเขาสอดสายยางเข้าไปในร่างกายเวลานอนพลิกขวาพลิกซ้ายที่อยู่ในภาคบาคบังคับวันนั้นร่างกายจะถูก ความทุกข์บีบบีบคั้นย่ำยีบีบค้าย่า ย, ยีเหมือนพระพุทธเจ้าได้ตรัสนะว่าโ่เอยความแก่อันชั่วช้าเออยความแก่อันทำความน่าเกลียดเออยกายที่น่าพอใจบัดนี้ก็ถูกความแก่ย่ำยีหมดแล้วแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆมันย่ำยีหมดทุกทุกคนคำสรุปมันย่ำยีไม่ใช่มันยกย่องนะมันย่ำยีเห็นหรือยังเราเหอะไปไดิทีนี้มันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่ในที่สุดมันก็เป็นเช่นนี้ เมื่อเราเข้าใจพระพุทธเจ้าเองจึงมาแสดงสาระในสุดท้ายว่ากิจอันพึงธรรมพระตถาคตธรรมเสร็จแล้วพระสัทธรรมมั่นคงแล้วพระเทระสาวกก็เป็นผู้มีปัญญารอบรู้ทั้งมชิมะนวกะทั้งฝ่ายรฤหัดหรือฝ่าย บรรพชิตก็ตั้งมั่นแล้วบัดนี้เราก็เก่ชรามากแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องละรูปนามขันไปตามการละเวลาและที่สุดก็เสด็จดับขันมหาปรินิพพานยมเห็นไหมละ่ะเพราะองค์ไม่ได้ให้ใครต้องมาเสียใจ พระองค์ไม่ได้อาลัยอาวรณ์อยู่กับสิ่งใดมิยุฉากเดียวที่มีในพระสุด ท, ที่ออกจากในพระนครเดินออกมาเสร็จแล้วก็ยืนบ่ายพระพักมองเมืองนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วบอกกับสาวบกที่เราได้ผันพระพักไป เป็นการมองครั้งสุดท้ายของเราแต่ไม่มีความเสียใจโยมสมมติเนี่ยถ้าโยมมีญาณที่รู้หมดยมเห็นคนที่รักเนี่ยต่อหน้าเราเนี่ยเขาต้องตายวันนี้แต่ยมมองแบบเหมือนว่าต้องจากและไม่มีความเสียใจไม่มีอะไรทุกอย่างในใจนั้นแต่มาบอกโยมบรรลุแล้วนะใครทําได้นั่นแหละบรรลุ รู้เต็มหัวใจแล้วว่าสิ่งที่มีค่าที่เรารักที่สุดชีวิตที่เราใช้สิ่งนี้มาสิ่งนี้วันนี้จากเราไปแล้วใจตรงนั้นดูเหมือนไม่มีอะไรเลยที่ต้องเศรา้าหมองโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันรับแค้นใจไม่มีเนี่ยถ้าใครทำได้ดูจิตผู้เจ้า พอมองเสร็จแล้วก็บอกว่านี่เป็นการมองครั้งสุดท้ายแล้วเราจะไม่ได้เห็นอีกเลยเราจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วยมใจหายไหมยมยืนมองบ้านยมแล้วกันวันนี้น้ําตาแตกเลยล่ะเชื่อนะขนาดไฟไหม้หมดแล้วนะยังบอกของกูของกูถูกยึดแล้วนะ อยู่ธนาคารถูกยึดแล้วยังบอกของกูของกูอีกเอา้เอาก็าว่ากันไปตามเพลงของโยมเลยกันจบเมื่อไรก็หยุดเต้นถ้ายมยังไม่หยุดเต้นมันจบตอนตายเท่านั้นที่จะไม่เต้นมีอยู่ท่าเดียวเันั้นแหละแล้วพระองค์ก็เสด็จไปไม่หันเหลียวแลอีกเลย นึกถึงฉากเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่ในป่าเลรนะัยใช่ไหมช้างก็มาส่งแล้วจะไปกับพระพุทธเจ้าก็ะาะจะบอกเธอไม่สมควรที่จะออกจากป่าเพราะนี่ไม่ใช่ที่ของเธออันตรายมากเธอหยุดเพียงแค่นี้แหละส่งอยู่ที่แค่ชายป่าช้างมองแบบโอ้โห เหมือนจะขาดใจตายนะ น, นะโยมเคยเคยจากกันแบบมันดุดดื่มไหมเหมืนอนโบกมือตอนรถไฟออกนะอองี้ดีกว่าหรือรถถัวออกแล้วกันหรือว่ากําลังดูหนังแบบแหมพระเอกกาลังวิ่งนางเองกกําลังกําลังเข้าใจกันแล้วเนี่ยแต่ว่าเงื่อนไขเวลามันไม่ลงตัวนะโยมรู้สึกไงลุ้นตามนั่นนะขนาดไม่เป็นเองนะนะั่นแหะลุ้น แตพอเจอทันก็โยมรู้สึกเออมันต้องลงอย่างนี้แม่เรื่องนี้มันจบสวยมากมีความสุขไปด้วยแต่ชีวิตจริงมันไม่จบอย่างนี้เขาไม่ง้างหลอกคำพัน้นธอ่ะพรวดเลยโยมขางหลุดไปแล้วนะเรียบร้อยฉันเรามองโลกนี้ยังไงตอนนี้โยมมองชีวิตมองทุกอย่างที่อยู่รอบตัวที่อยู่กับชีวิตของตัวเอง ยมวางใจยังฝึกได้แล้วเริ่มเสียของรักดูสิอะไรที่มันห่หวงเห็นใเห็นมากๆที่มันเป็นของดึงใจเป็นอย่างเหนียวไปทุบมันแตกดูดิแล้วก็บอกมันเป็นเช่นนี้เองมันเป็นเช่นนี้เองหล่ะแล้วว่าไปยมเนี่ยมันใช้ได้อย่างนี้จิตมันรู้แล้วมีความสุขแนละ้วเออเป็นเพลงได้แนละ้วเออมันเป็นเช่นนี้เอง ไม่ทุกแล้วจะม า, าโยงใกล้บรรลุไม่งั้นก็ใกล้บ้าสองอย่างเพราะมีลาลาล่าอยู่เมื่อกี้สองอย่างคือทำใจไม่ได้มันก็ยาวต่อแต่ทำใจได้มันไม่มีลาลาล่าหยุดตรงนั้นหยุดจริงๆนะหยุดแต่โยงรู้ไห่ในสุดช้างตายม้ากันท ก, กะตายแต่ในระหว่างตายเขามีกุศลอย่าง แรงเป็นเทพบระบุตมาเลยแต่ถ้าเราตายในความโศกเศร้าเสียใจในตอนนั้นเนี่ยจิตเศร้าหมองมันก็ไปทุกขคดีมีคดีเดียวก่อนยมจะสร้างบุญอะไรมาก็ตามจิตตอนนี้มันเสวยบากอย่างนี้ไปก่อนอยู่กี่วันไม่รู้นะกี่เดือนกี่ปีไม่ทราบแต่ต้องใช้ก่อนพอได้เสวยบากนี้เสร็จ บุญอะไรกรรมอะไรที่เราทำนานๆทำบ่อยๆมันมีกำลังมากจะไปจุดนั้นแล้วเขาเรียกเป็นอจินตกรรมกรรมนี่ส่งผลเต็มที่เลยโยมนานมากนานมากเอาล่ะก็สมควรในการรับฟังทางขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทินทอขอจะเรือนพร